ธรรมบทแปลเรื่องที่เจสเรื่องพระเพรทศีสะเถระภาคที่สเรื่องที่สของวรที่เจอรหัตตวรตกวรณน า, นาพระศาสดาประทับอยู่ในพระเจตวันทรงปรารบท่านเพรทศีสะตรัสพระธรรมเทศานานีว้ว่าเยสังสั้นนีเจโยนติ เป็นต้นดังได้สะดับมาท่านนั้นเที่ยวบินทบาทถนนหนึ่งภายในบ้านทำพัฒกิจแล้วเที่ยวถนอนอื่นอีกถือเอาข้าวตากนำไปวิหารเก็บไว้คิดเห็นว่าขึ้นชื่อว่าการเที่ยวแสวงหาบินทบาทร่ำไปเป็นทุกข์ยังวันเล็กน้อยให้ล่วงไปด้วยสุขในชาแล้ว เมื่อต้องการด้วยอาหารมีขึ้นย่อมฉันข้าวตากนั้นพวกภิกษุรู้ข้าวติเตียนแล้วทูลความนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาแม้ทรงบัญญัติสิขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายเพื่อประโยชน์เว้นการสังสมต่อไปในพระเหตุนั้นแล้วก็ต่อเมื่อจะทรงประกาศความหาโทษไม่ได้แห่งพระเถระ ประการเก็บอาหารนั้นอันพระเถ ร, ระอาศัยความมักน้อยทมเมื่อยังไม่ได้ทรงบัญญัติสิกขาบทเมื่อจะทรงสืบอนุสนทธิแสดงธรรมได้ตรัสพระคาถานี้ว่าเยสั่งสั้นนิจโยนติเยปริญญาตโภชนาสุนยะโตอนิมิตโตจะวิโมโคโเยสโคจโร อากาเซวะสกุลตานังกติเตสั่งดุรันวยาติคติของชนทั้งหลายผู้หาสังสมไม่ได้ผู้กำหนดรู้โภชนะมีสุญญาตะวิโมกและอนิมิตะวิโมกเป็นอารมณ์ไปตามยากเหมือนทางไปของฝูงนกในอากาศฉะ น, นั้นแก้อัด บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าสั้นนิเจโยสังสมมีสองอย่างคือสังสมกรรมหนึ่งสังสมปัจจัยหนึ่งในการสังสมสองอย่างนั้นกรรมที่เป็นกุศลและหากุศลชื่อว่าสังสมกรรมปัจจัยสี่ชื่อว่าสังสมปัจจัยในสังสมสองอย่างนั้นสังสมปัจจัยย่อมไม่มีแก่ภิกษุ ผู้อยู่ในวิหารเก็บน้ำอ้อยก้อนหนึ่งเนยใสสักเท่าเซี่ยวที่สและข้าวสารทนานหนึ่งไว้ย่อมมีแก่ภิกษุผู้เก็บไว้ยิ่งกว่านั้นสั่งสมสองอย่างนี้ของชนเหล่าใดไม่มีบทว่าปริญญาตโพชนาคือกำหนดรู้โพชนะด้วยปริญญาสาม ก็การรู้โพชนะมีข้าวต้มเป็นต้นโดยความเป็นข้าวต้มเป็นต้นชื่อว่ายาตาปริญญาคือกำหนดรู้ด้วยอันรู้อยู่แล้วส่วนการกำหนดรู้โพชนะด้วยอำนาจสำคัญเห็นในอาหารปฏิกูลชื่อว่าตีรณปริญญาคือกำหนดรู้ด้วยอันไตรตรองยานเป็นเหตุถอนความกำหนัด ด้วยอำนาจความพอใจในโพชนาหารออกเสียชื่อว่าปหานะปริญญาคือกำหนดรู้ด้วยอัลละเสียชนเหล่าใดกำหนดรู้โพชนะด้วยปริญญาสามนี้ในบาปพระกาถาว่าสุนยโตอนิมิตโตจะนี้แม้อัปปนิหิตะวิโมกก็ทรงถือเอาด้วยแท้เหตุว่า บทเหล่านั้นทั้งสามเป็นชื่อแห่งพระนิพพานนั้นแลจริงอยู่พระนิพพานท่านกล่าวว่าสุญญาตาวิโมกเหตุว่าว่างเพราะไม่มีแห่งราคะโทสะโมหะและผลจากราคะโทสะโมหะนั้นพระนิพพานนั้นท่านกล่าวว่าอนิมิตวิโมกเหตุว่าหานิมิตไม่ได้ เพราะไม่มีแห่งนิมิตมีราคาเป็นต้นและ้ลแล้วจากนิมิตเหล่านั้นอันหนึ่งท่านกล่าวว่าอปะนิหิตะมิโมเหตุว่าไม่ได้ตั้งอยู่เพราะไม่มีแห่งปณิธิคือกิเลสเป็นเหตุตั้งอยู่มีราคาเป็นต้นและ้ลแล้วจากปณิธิเหล่านั้นวิโมกสามอย่างนี้ เป็นอารมณ์ของชนเหล่าใดผู้ทำพระนิพานนั้นให้เป็นอารมณ์โดยอำนาจเข้าสมาบัตสัมปยุทธ์ด้วยพลจิตยอยู่บาปพระคาถาว่ารติเตรั่งดุรันวยาความว่าเหมือนอย่างว่าทางไปของฝูงนกคู่ไปแล้วโดยอากาศไปตามยากคือไม่อาจจะรู้เพราะไม่เห็นรอยเท้าฉันใด คติของชนทั้งหลายผู้หาสังสมสองอย่างนี้ไม่ได้ผู้กำหนดรู้โวชุนะด้วยปริญญาสามนี้และผู้มีวิโมกมีประการอันกล่าวแล้วนี้เป็นอารมณ์ก็ไปตามยากคือไม่อาจปัญญัติเพราะไม่ปรากฏแห่งการไปว่าไปแล้วในส่วน5นี้คือพบสามกำหนด4คติห วิญญาณทิติ7ิสตาวาสาก้าโดยส่วนชื่อนี้ชื่อนี้ฉะ น, นั้นแลในการจบเทศนาชนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องพระเพรทศศีสะเถระ